สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เราอยู่ในความสมดุลประเด็นที่18ครับของกฎทองคํา20บข้อกฎข้อที่13คือชีวิตของเรานั้นจะต้องประกอบด้วยความสมดุลและในประเด็นที่18ในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความถ่มใจครับ พ, พระเจ้าในเช้า ว, วันนี้นั้นปรากฏอยู่ในพระธรรม โรมบทที่12ข้อที่สครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่สโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านโปรดฟังอีกครั้งครับอย่าคิดถือตัว เกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านพี่น้องครับคำว่าสมกับขนาดความเชื่อนี่คือความสมดุลครับสมดุลระหว่างความเชื่อและความถ่อมใจความถ่อมใจนั่นก็คือวลีที่ว่าจงคิดให้ถ่อมสุขุม จงคิดให้ถ่อมสุขุมพี่น้องครับระหว่างความถ่อมใจกับความเชื่อเราจะต้องมีความสมดุลกันครับถ้าเรามีแต่ความถ่อมใจอย่างเดียวเราเน้นความถ่อมใจสุดๆก็จะกลายเป็นการลดคุณค่าของตัวเองให้มันต่ําต้อยและจะกลายเป็นว่าทําอะไรทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมควรพี่น้องครับอย่างนี้แหละครับคือความถ่อมใจ ที่ไม่ถูกต้องในอีกด้านหนึ่งครับถ้ามีแต่ความเชื่อก็จะอวดดีครับก็จะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็จะมีความรู้สึกใจร้อนแล้วก็รุนแรงครับโอ้อวดตัวนั่นแหละครับคือต้องมีความเชื่อบวกกับความถ่อมใจและก็ต้องมีความสมดุลครับคนที่ไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่สมควรเป็นผู้นำของกรษจักรนะครับ ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีความเชื่อกลายเป็นผู้นำของเครือ จ, จักรนั้นเครื จ, จักรก็จะไม่เติบโตและพัฒนาและผู้ที่มีแต่การโอ้อวดก็ไม่สมควรเป็นผู้นำเครื จ, จักรเหมือนกันครับจะ ต, ต้องเดินอยู่ในสายกลางก็คือมีความสมดุลนะครับคนที่ถ่อมตัวมากเกินไปก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรเกรงใจคนนน้นคนนี้และรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ตัวงั้นไม่เหมาะสมไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สมควรพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นผู้ตามครับไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้อย่างไรก็ตามครับ พ, พระกัมภีร์สอนให้เราที่จะเป็นผู้นาสอนให้เราที่จะถ่อมใจสอนให้เราที่จะมีความเชื่ออย่างสมดุลครับสมกับขนาดความเชื่อพี่น้องครับคำว่าสมกับขนาดความเชื่อนั้น นอกจากจะมีความหมายเรื่องของความสมดุลแล้วก็เราเองนั้นจะต้องพัฒนาความเชื่อของเราและในอีกด้านหนึ่งต้องพัฒนาความถ่อมใจของเราให้ไปพร้อมๆกันครับและเมื่อเราถ่อมใจตามความเชื่อของเรานั้นก็จะเกิดความสมดุลนะครับเราก็จะไม่กลายเป็นคนที่ออโอ้อวดยิงจองหองยะโสโอหังและก็ทำให้เราตกอยู่ในความบาปแบบเดียวกับที่มารซาตานั้นพยายาม ที่จะให้เราเป็นเหมือนกับมันก็คือว่ามีบาปแห่งการหยิงยโสครับอยากจะเทียบตัวเองเท่ากับพระเจ้านะครับการที่มนุษย์นั้นเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับนั่นแหละครับคือความผิดพลาดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องหึ่งพาพระเจ้าเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกํำลังพี่น้องครับพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเราพระเจ้าเสริมกําลังเราพระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนด ชีวิตของเราและพระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้สําหรับงานที่ดีงานรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเกียรติเป็นสิทธิพิเศษที่เราพึงจะมีในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับให้ชีวิตของเราสมดุลนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวเราก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเราเชื่อความเชื่อของเรานั้นถูกต้องครับแต่เราต้องมีความถ่อมใจด้วย นะครับในสังคมของเรานี้นะครับก็มีคนทั้ง2ประเภทนี้ครับบางคนก็ออกไปในทางถ่อมใจไม่กล้ากลัวนะครับบางคนก็ออกไปในทางตรงกันข้ามครับมีความกล้ามากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยนั่นแหละครับในที่สุดแล้วเมื่อเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเขาก็จะเกิดความโย่เย่อหยิ่งจองหองมีความหยิ่งยโสกลายเป็นบาปไปเสียปี่นองครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่ เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเดินด้วยความสมดุลเดินตามด้วยความเชื่อฟังพระจนะของพระเจ้าตลอดไปอเมน